มันก็เรียกว่าไม่เคารพในเอขออภยัยเรียกว่าเคารพในสมาธิแต่ใครไม่บริหารกรรมฐานแม้แต่ข้อเดียวเลยเรียกว่าไม่เคารพในสมาธิเลยคุลาวันมานี่เอากรรมฐานอะไรมาด้วยจะมาฟังทำมั้งนั่นเถอะอ๋อ ก็ถ้าใช้ไม้ด้วยจะดีมากเลยนะเนี่ยที่อาจารย์สอนวันนี้คราวนี้เลยนะะาประสิทธิ์พยกข้อมมั้ที่บางอย่างในนะเพราะละไม่ก็ไม่ใช่พอละพูดนานมากคนอื่นเขาไม่ค่อยได้ยินเพราะไม่ใช้ไม้เลย เอาคนกรุงเทพนะเล่าให้คุณวิลาวันชื่นใจนี่เขาจะมาเห็นคนกรุงเทพฟังทะแสดงธรรมนะเนี่ยะมิลาวันตั้งใจมามากเลยนะเนี่ยอยากมาคบบัณฑิตเอาอย่างนี้นะคะเมื่อตอนที่หยุดเรียนนะคะก็พยายามอ่านคนเดียวและคิดว่ามงคลสามสิบแปดเนี่ยนะคะมงคลสาสิบแปดเนี่ยมันง่ายที่สุดจริงๆทุกอย่างเราก็มีแล้วแต่เราไม่ได้เอาม า, มาไตร่ตรองให้มันจําได้ จักซีก็อยู่ในนั้นบุญคุณพ่อแม่ก็อยู่ในนั้นเกือบทุกข้อมีแต่เราขาดยูนิโสมนัสสีามค่ะแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยสมาธิก็ขาดค่ะทีนี้ได้ข่าวว่าท่านทั้งหลายจะมาใช่ไหมคะกิตติศักดิ์มันมาก่อนแล้วนะคะเราก็เลยเราก็เลยตอนที่จําได้ก็ลืมไปหมดเลยค่ะมันไม่แน่นค่ะแสดงว่าขาดสมาธิใช่ไหมคะมันไม่แม่นเพราะเราก็เริ่มต้นจะตั้งหลักใหม่นะคะ ท่นนี้ทําไปทํามาคราวนี้ก็มาบังเอิญมาเจอมงคลสามสิบแปดเข้าอีกต่อครั้งที่สองเลนะคะครั้งต่อมาอาจจะแม่นหน่อยค่ะอื mm. แล้วก็ที่ท่านทั้งหลายมาคราวนี้นะคะทาให้เหมือนกับจุดประกายโดยดิฉันเองนะคะให้ตื่นตัวตั้งใจมากขึ้นอื mm. เพราะว่าถ้าเผื่อจะเป็นท่านทั้งหลาจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์หรืออะไรเนะคะเราจะไม่ถามใครล้วเป็นอะไรมันเหมือนกับเครื่องฉายสแกนนะคะ เราเห็นตัวเราเองทุกอย่างในตัวเราเพราะว่ามีสิ่งที่มากระตุน้นมองให้เราเห็นตัวเอง้วยภาพคนอื่นนะฮะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีคนเวลาวันก็ได้มงคลเพราะครบบัณฑิตแล้วนะแล้วใครจะบอกว่าใครบริหารกรรมฐานอะไรบ้างกรรมฐานมิหารีเนี่ยนะก็เป็นผู้อยู่ด้วยกรรมฐานไม่ใช่ว่าหมอวาลบถามพระพิสูรูปหนึ่งถามว่างไงนะคุณหมอ ขออนุญาตผมเรียนถามพระพิสุรูปหนึ่งว่าท่านมีอะไรเป็นวิหารธรรมท่านตอบว่าโบสถ์หรือว่าวิหารนะแล้วก็คลคาเดียวกันเนี่ยก็มีพระพิสุรูปหนึ่งไปถามพระพิสุรูปหนึ่งว่าตอนนี้ท่านกําลังบริหารกรรมฐานอะไรอยู่ตาเขียวปัดกลับมาเลยนะ นี่ก็น่าคิดนะว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกรรมฐานเนี่ยนะก็นับว่าน่าเห็นใจเป็นอย่างมาก น, นะมันมันขาดความเคารพในสมาธิเป็นอย่างยิ่งช่องโวแรงเหลือเกินมั้นควรที่จะมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเป็นเครื่องประจําจิตเนี่ยนะเป็นมิตรประจําใจเลยนะไปที่ไหนก็ไปด้วยกรรมฐานเหล่านั้นจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเจริญกรรมฐานไปเรื่อยเนี่ยนะ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 มันก็ทุกอย่างก็ลําบากเดือดร้อนกันหมดจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งหลายท่านมาฟังทำที่นี่ได้เนี่ยนยโ<ฮ>ะโอ้โหไปโยคะอย่างเยี่ยมเลยนะวางแผนซ้อนแผนตั้งหลายแผนเนี่ยนะกว่าจะได้ฟังทำเนี่ยนะอะหลายๆคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าอยากจะมาแล้วมาพรวดได้ทันทีอ่ะนะมีไม่กี่คนหรอกที่มีบุญบอกว่าแล้วแต่ใจของชั้นอ่ะนะเอาเอาใจตัวเองเข้าว่าเนี่ยมีน้อยมาก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 หรือใครไม่ปฏิบัติไม่ลำบากเลยไม่ยากเลยยกมือขึ้นแตรละมาจะานุ่มโมทนาด้วยจะมุธิตาด้วยแตมีไหมไม่ลำบากเลยไม่ค่อยมีไม่มีใครกล้ายกมือเลยตรงนี้เป็นพวกเจริญกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยสุขาปฏิปทาปารบกรรมฐานไหนก็ราบรื่นไปหมดเลยเนี่ยนะไม่ว่าอิริยาบถไหนกรรมฐานก็คล่องแคล่วไปหมดเลย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 มันมีจํากัดนะถ้าอีกอย่างมีอีกอย่างมันต้องไม่มีอะเราคิดดูนะถ้าอีกอย่างมีมากอีกอย่างต้องมีน้อยอ่ะถ้าอีกอย่างมีน้อยอีกอย่างมีมากเนี่ยเราคิดดูนะท่านถามว่าเราเอาไอ้น้ําไม่ดีมาเต็มแก้วในน้ําดีหรือนิดเดียวเลยกลายเป็นน้ําเสียไปหมดเลยถ้าหนังตรงท่าว่าตรงไหนน้ำน้ําน้ําดีมากนะเรามีน้ําเสียนิดหน่อยหยดไปทีไม่รู้เลยนะก็เป็นน้ําดีมาเลยเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับเขาเกลือไปหยอดนะในแม่น้ํำพงคามันรู้สึกอะไรเลย แต่ถ้าไปหยอดในแก้วเล็กๆงนี่ไม่ได้นะเค็มนลยแล้วมันก็แปลกที่ว่าถ้าอากุศลมีนะกุศลมันหายเรียบหมดเลยแปลกไหมครับแล้วถ้าหาว่าอากุศลมีนะโทษถ้ า, ากุศลมีนะอากุศลหายเรียบหมดเลยแล้วท่านยังเปรียบไว้ในในนิเทศนะฮะในมหานิเทศท่านบอกว่าไอบ้บรรดาอากุศลทั้งหลายนี่นะฮะมันเป็นธรรมะที่ ทุลพลทุลภาพครับออแปลกไหมในบรรดาโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะมัจจริยะอิสาปุงซาเนี่ยเป็นธรรมะที่ทุลพลครับเขาบอกว่าเป็นเป็นธรรมะที่ไม่มีกําลังอ่อนแอมากเหมือนลูกนกเนี่ยอธิบายลงไปอย่างนั้นเลยนะเหมือนลูกนกเลยมันอ่อนแอขนาดนั้นเนี่ยนะแต่ฝ่ายกุศลท่านบอกโอ้โหมันเป็นธรรมะที่แข็งแรงนะเป็น เป็นธรรมะที่มีกําลังเออตรงนี้ต้องให้พระคุณเจ้าอธิบายนะเนี่ยอยู่ในก็ในนั่นนะในกามสุตตะนิเทศใช่ไหมกิเลสที่ชื่อว่าอภะละก็ครอบงาท่วมทับเนี่ยอภะละก็คือไม่มีกําลังนะนีคือพอกุศลไม่เกิดเนี่ยนะแม้กระทั่งไอ้ของไม่มีกําลังก็มีมีกำลังไปหมดมีอํานาจมีบทบาทไปหมดทั้งทั้งที่เรียวแรงมันก็น้อยไม่มากขรอกนะบาปอกุศลเนี่ยมันเกิดมากก็จริงแต่มันไม่ค่อยมีอนุภาพอะไรหรอก นะนะถ้ามันมีอนุภาพเท่ากับปัญญานะสมมติถ้าเราเจริญปัญญาให้มันมากเท่าโลภะนะโวตบรรลุเป็นธาอหุหานไปนานแล้วนันะนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเกิดไม่เท่านั่นแหละนี่โลภะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยกำลังมันน้อยแต่ทีนี้เมื่อปัญญาไม่เกิดนะไอสิ่งน้อยๆนี่แหละมันเลยผนึกกําลังขึ้นเส้นได้เส้นเล็กๆนะเส้นเดียวเนี่ยมันผูผุใช่ไหมถ้าเอามาเป็นล้านเส้นแล้วมาดึงดูซิขาดไหมไม่ขาด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 ตัวที่สําคัญมากที่สุดก็เนื่องจากปฏิสันฐานโดยเฉพาะธรรมะปฏิสันฐานถือว่าเลิศ ก, กว่าปฏิสันฐานทั้งปวงหันการที่เราทั้งหลายได้พบปะกันแล้วมีการสนทนามีการฟังธรรมเนี่ยนะปฏิสันถานถ้าตั้งอยู่ในความเคารพด้วยการปฏิสันฐานในธรรมความเจริญอย่างอื่นๆก็จะมีขึ้นเช่นนะเห็นไงท่านเจริญพุทธคุณไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะถ้าปฏิสันฐานกันในลักษณะนี้บ่อยๆใช่ไหมความเคารพในพระพุทธเจ้าจะมีขึ้น ศึกษาพระธรรมคำสอนอะไรบ้าง น, นะศึกษาแล้วเป็นยังไงกุศละจิตเกิดขึ้นบ่อยไหมอากุศล ล, ลดลงไปไหมการสอบถามการลักษณะนี้บ่อยๆปฏิสันฐานกันแบบนี้บ่อยๆจะยังอีกฝ่ายหนึ่งให้เจริญกุศลได้ยิ่งยิ่งขึ้นไป น, นะก็ธรรมะปฏิสันฐานเหล่านี้เราทั้งหลายควรจะมี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 ต่อเนื่องมุทิตาต่อผู้ที่เขาเจริญกุศลได้บ่อยได้มากแสดงความการุณาต่อผู้ที่กุศลไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะนันก็อันนั้นแหละเป็นการปฏิสันถานที่นำไปเพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็ความเคารพนี่นับว่าสำคัญมากนะนี่นะผมก็สังเกตเห็นนะแล้วก็เกิดมุทิตาผู้ที่ ผู้ที่ก็จะเลยกุศลได้ดีนะที่มีหลายท่านทีเดียวนะผมชอบใจคําว่าผู้ใดมีกรรมฐานประจําตัวเนี่ ย, ยผมชอบคํานี้นะถ้าเราเจอกันเราคุยกันท่านมีกรรมฐานอะไรเป็นกรรมฐานประจําตัวเนี่ยเป็นคําที่น่าทักทายกันนะฮะแต่ก่อนพูดไม่ได้เลยครับอเดี๋ยวนี้ผมมาโ ล, โลกเสรีแล้วอนะเนี่้ นะไม่ใช่สังคมนิยมนะฮะอันนี้ <c oughs> ก็ก็เป็นสิ่งที่น่าน่าน่าคิดนะครับว่าผู้ใดมีกรรมฐานประจาตัวแล้วแล้วก็แต่ละคนอุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็มีอุปนิก็มีกรรมฐานแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่มีนะครับก็ขอให้ได้คลุกคลีหรือว่าให้ทาความรู้จักกับผู้ที่มีแล้วนี่นะ ว่าเออท่านมีได้ยังไงบ้างวิธีที่ท่านมีเนี่ยนะที่ท่านเจริญพุทธานุสติได้เหมาคล่องแคล่วดีเมากเนี่ยนะท่านมีมี ม, มีมีโกลเม็ดอะไรบ้างที่จะทําให้เจริญได้เนี่ยน่าสนใจมากทุกคนควรจะมีมากมากเลยที่เรียกว่าครบบัณฑิตใช่ไหมก็ไปครบบุคคลที่มีเช่นผู้ที่มีสตินรและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นเราก็จะมีอัธยาศัยที่จะเจริญสตินีด้วย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 และเสมอด้วยงูที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วย่อมเป็นผู้ละเอียดอ่อนละมุนละไมพองแพล้ยด้วยความสุขความเป็นผู้ถ่อมตอนนี้เรียกว่านิวาตะนั น, นะก็เปรียบตนประดุดอะไรอุปมาณนะผ้าเช็ดเท้าหรือผ้าขี้ริว้วอย่างหนึ่งสองโคเขาขาดอะไรงูงูที่หมดเขี้ยวงูถอนเขี้ยวแล้วเนี่ยนะไม่มีเขี้ยวแล้วแลก็อันนี้ก็เป็นข้ออุปมาไว้เตือนใจว่าผู้ที่ ทอมตนนั้นเป็นเช่นนั้นไม่เย่อหยิงไม่โอ้อวดไม่จองห้องไม่ไม่ลำพองเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ลำพองมากๆถ้าลำพองไปเท่าไหร่ก็จะข่มผู้อื่นเท่านั้นเดี๋ยวก็จะเหมือนกับนิทานในไวั ว, วกระอื่งใช่ไหมมันจะเท่าไหร่เชียวเนี่ยนะมีอึ่งอยู่ตัวหนึ่งอะนะนิทานทำไมเด็กๆกนะันนั่งยังอ่านนะจําได้กันหลายคนนะได้นะเราฟังคร่าวๆกว่อนนะเผื่อเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เคยได้ยิน ก็มีอึ่งตัวหนึ่งนะก็มีลูกอยู่หลายตัวด้วยกันมีวัวตัวหนึ่งก็เดิน ม, มาเคี้ยวหญ้าเละเล็มหญ้าผ่านไปก็ไปเหยียบลูกอึ่องตัวหนึ่งตายไปไอ้แม่อึ่งโมยไปหากินอยู่พอกลับมาลูกอึ่องมันต า, ตายตัวหนึ่ ง, งก็เลยไปถามไอ้ลูกอึ่งที่เหลือว่าอ่านะทาไมลูกอึ่งตัวนี้ตายลูกอึ่งก็บอกว่าโคมันเหยียบตายบอกโคมันใหญ่เทา่าไหนบอก อ, อู้ใหญ่มากแม่อึ่งก็เลยเป่าลมให้มันเข้าข้างในแต่ก็ถามว่าใหญ่เท่านี้ใช่ไหมบอกยาง แม่อื่นก็เลยพองไปเรื่อยพองไปเรื่อยท้อ ง, อ, ยองแตกตายซะก่อนเนี่ยนะหยางมากอันนะั้นพองมันจะพองได้เท่าไหร่ก็เท่ากับปั้นนะหยางมากอนนะอั้อ น, นะมันพองที่สุดในเท่ากับปั้นถ้าเกินนี้แตกตายแล้วแล้วถามว่าเท่ากับกีบโครหรือ ย, ยังนันะนะแทบไม่ได้เท่ากีบโคนะจะกล่าวไปใหญถึงตัวโคเล่าเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ล้ำพองมากๆ ก, ก, ก็สร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองกุศลใดที่ควรจะได้ทําก็ไม่มีโอกาสได้ทําเพราะความอํานาจของความ ลำพองเนี่นยนะอันนี้วาโตวความถ่อมตนเนี่ยนะจึงนับว่าเกื้อกูลมากแต่ที่สําคัญก็ไม่ใช่ไปถ่อมทั่วๆไปหมดใช่ไหมไอ้คําว่าถ่อมตนเนี่ยไปถึงกับไปอะไรนะถ่อมตนกับหมู่เดะหมู่ผู้ทุศีนเป็นตน้นนั้นก็ไม่น่าใช่แต่คําว่าความถ่อมตนก็คือไม่กระด้างกับผู้ที่มีคุณเนี่ยนะก็ในผู้ที่มีคุณเป็นต้น ก็ระลึกถึงนะนะเปรียบเทียบตัวเองเอาไว้บ่อยๆว่าเสมือนกับผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดทุเรีโคเขาขาดงูที่ถูกถอนเขี้ยวผู้ที่ปฏิบัติได้เยี่ยงนี้คือใครภาษาดีบุตรเนี่ยนะนะจริงๆพระ้าหั่นทุกท่านเป็นอย่างนั้นหมดแต่ว่าภาษาริบุตรเอามากล่าวก็เลยเด่นเนี่ยนะจริงๆแล้วพระ้าหั่์ทุกรูปเป็นอย่างนั้นหมดเลยพระ้าหั่นทุกองค์จะไม่มกีการกระดั้งนะไม่มีการเยาะยิงไม่มีการจองห้องไม่มีการ ลำพองพาะ อ, อะไรพ่อผ้อรารหารทั้งหลายหมดมานะแล้วถ้าจะลำพองนี่เอาอะไรเป็นเครื่องลำพองเอาอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความเย่อหยิ่งเอาอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาและมีมานะเนี่ยนะก็ตาหูจมกูกลิ้นกายใจนั่นแหละหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะก็เอาขันห้อาอวัยวะตน้าสิบสองเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความ ย่อหยิ่งถือตัวเมื่อพาหันทั้งหลายท่านพิจารณาขันห้าโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยท่านจะเอามาเปรียบไหม น, นะก็ไม่เอามาเปรียบก็เอาสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยกันมาเปรียบเอาสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเอาโรคมาเปรียบกันหรือท่านก็ไม่เอาพวกนี้มาเป็นเครื่องแข่งกัน น, นะนอกจากมีแต่ความเห็นใจกัน น, นะนอกจากมีการกรุณาต่อกันเพราะะฉนั้นผู้ที่ไม่ได้อบรมไม่ได้ทําปริญญา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 ถูเคียนเหมือนกันเสมอนักโทษที่ถูกเคียนเหมือนกันใช่ไหมบอกแกเนี่ยนักโทษชั้นต่ำแกใช้หวายชั้นเนี่ใช้โซ่ทองนะมาหดชั้นดีไหมก็มันก็ถูกตีเหมือนกันนั่นแหละนะจะเป็นใครก็ตามถ้ายังอยู่ในอุปาทานขันห้ามันก็เป็นอย่างนั้นนั่นนะมันก็บริหารเหมือนกันมันก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละพันท่าพิจารณาขันห้าทําปริญญาให้รอบครอบที่สุดก็ไม่รู้จะเอาขันตัวใดเป็นที่ตั้งแห่งมานะ ไม่รู้จะเอาขันใดเป็นที่ตั้งแห่งความเย่อหยิ่งเพราะขันทั้งหลายพระหันท่านถือว่าเสมอกับอะไรต้นไม้และใบหญ้าเนี่ยนะไม่มีความแตกต่างจากต้นไม้และใบหญ้าเพราะไม่มีนิจจาระเหมือนกันไม่มีสุขาสาระอัตตาสาระเหมือนกันท่านจึงถ่อมตนได้ น, นะถ่อมตนคือท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่แกล้งถ่อมตนเพื่อให้คนยกย่อง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 นี่วาตะความถ่อมตนเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ได้เกียรติคุณมียศเป็นต้นยศก็คือมีพวกเยอะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนมากแต่ถ้าใครเยอะยิงมากๆจองหองมากๆดูหมิ่นคนอื่นมากๆเพื่อนก็นลดลงไปแทบจะไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่มีใครอยากจะพูดถึงด้วยเพราะฉะนั้นความถ่อมตนนั้นเป็นมงคลใช่หมทำให้มีเพื่อนมากมีบริวารมากแม้กระทั่ง ผู้ที่ทรงคุณทั้งหลายถ้าเวลาเขาจะสงเคราะห์เนี่ยนะสงเคราะห์คนเย่อหยิ่งก่อนหรือว่าสงเคราะห์คนที่ถ่อมตนก่อนนะก็ถ่อตนมันบุคคลที่ถ่อตนก็ควรแก่การรับโอวาทและอนุสาสนีถ้าเราเย่อหยิ่งมากๆนะพระไตรปิฎกนะเปิดปั๊บเล่มนี้ก็รู้แล้วอ <c oughs> ู้เล่มนั้นก็อ่านแล้วเล่มนี้ก็ฟังแล้วอันนั้นก็รู้แล้วรู้ไปทุกเรื่องอ่ะนะเก่งหมดเลยไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้อะ่ะมีไม่ใช่น้อยใช่ไหมนั่นแหละ แล้วได้ดีหรื อ, อยังยังกิเลสเหมือนเดิมเท่าเดิมดีไม่ดีก็โตกว่าเดิมนนะกุศลก็ลดลงลดลงก็เพราะอะไรก็เพราะมานะขาดความถ่อมตนนั่นเองนะครับความถ่อมตนเนี่ยตั้งเอาไว้ให้ดีเธอเนี่ยนะเคารพแม้กระทั่งการศึกษาพระธรรมนะสูตรไหนที่เราเคยอ่านมาแล้วเคยฟังมาแล้วถ้าเรางียโสดลงฟังให้ดีๆมนัสิการโดยเย็บคายเราจะเข้าใจกว่าเดิมอย่างมาก มันถ้าสังเกตดีๆศึกษาพระธรรมนานๆเ น, นี่ยนะคำว่าสติแต่ละปีแต่ละปีก็กว้างขวางแตกต่างกันใช่ผู้กันมันคำว่าสติคําว่าสัมปชัญญะแต่ละครั้ ง, แ ต, งแต่ละครั้งก็แตกต่างกันไปมะนถ้าเราถอมตนเนี่ยนะถ้าเราไม่เย่อหยิ่งจนเกินไปก็สามารถที่จะอบรมกุศลธรรมเหล่านี้ให้เจริญงอกงามได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความถอมตนนี้เป็นมงคลเนี่ยนะก็คงพักสักก่อนนะนะ